กำหนด40วันคือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เราก็จะต้องมีการประชุมกันสำหรับผู้ที่ทำงานการสอนธรรมะทั่วประเทศตั้งแต่ธันวาปลายปีที่แล้วจนถึงพฤษภาปีนี้ก็มาชาต์แบตเตอรี่ มาเข้าค่าเข้าแคบกรรมฐานกันตั้งได้ทบทวนการที่เราได้ทำมาตั้งได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆประสบการณ์มากมายสำหรับพระผู้ทำบงาับเผยแผ่ต่ด้านกรรมฐานซึ่งเป็นลูกพ่อเดียวกันคือหลวงปู่เทียนเป็น ผู้ให้กำเนิดปรมาจารย์ผู้สอนด้านการเจริญสติปัฏฐานนี่เรารวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นสายงานทางการฟังงานไม่ขาดตามมาแล้วตั้งแต่ ป, ปี514เป็นต้นมานับดูก็3 0กว่าปีมาแล้ว <c oughs>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 มีผู้ที่มารับผิดชอบมารับรู้แล้วเห็นเรื่องนี้แต่เรื่องกรรมฐานนี่งคงไม่มีใครหลอกเราได้ก็ราเมอคืนไดมันเห็นอะไรมันผ่านอลไรมันเป็นวิปปัสนามันเป็นอย่างไรกรรมฐานเป็นอย่างไรพวกเราก็ลุยมาแล้วใน ด, ด้านการกระทํา สามสิบเก้าวันที่ผ่านมาเราก็ได้บทเรียนจากตัวเราเองไม่มีใครบอกใครสอนเราได้ท่านผิดท่านก็ผิดเองท่านจะท่านแก้ผิดท่านก็แก้เองนี่คือบทเรียนที่มีค่ามากประสบการณ์ที่มีค่าคนอื่นจะไปขี้ผิดที่ถูกให้ท่านไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้เรียกว่าวิชากรรมฐาน ไม่เหมือนวิชาทางโลกที่คนไปเรียนมาอันนั้นเป็นวิชาที่มีหลักสูตรตายตัวอันเดียวกันยันสองสองเป็นสี่สองห้าเป็น1ิสูตรอันเดียวกันแต่ว่าสูตรกรรมฐานนีตน่ต่างกันต่างกันตรงไหนต่างกันต่างววละกันบางท่านก็หลงบางท่านก็รู้บางท่านก็สุขบางท่านก็ทุกข์บนเรียนที่ท่านรู้ท่านหลง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 เป็นตัวใครตัวมันการมีทุกข์ก็มีต้องมีแน่นอนปัญหาทางกายก็มีเกิดขึ้นปัญหาทางใจก็มีเกิดขึ้นการเที่วอย่างไรการทํำงานเกี่ยวกับปัญหาต่างๆหลายๆอย่างสารพัดสารเพที่มันเกิดขึ้นจากกาจากใจเราหน้ามำาน ก, กายกองถ้าเป็นจิเรกก็พันห้า แต่เป็นปัญหาก็ร้อยแปดแล้วก็อยู่ที่ตัวเราเราก็เรียนมาแล้วหน้าอโมทนาการเรียนกรรมฐานนี่ไม่ได้เหมือนยืนหน้าชั้นเหมือนเรียนนักเรียนอนุบาลประถมมัธยมชั้นอุดมไม่ใช่แบบนั้นเป็นการห้องเรียน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 เห็นอะไรก็ได้ถ้ามันเกิดกับกายกับใจเราได้นอกกายนอกใจเราก็มีมันพบเห็นไม่ใช่ชี้เห็นกรรมฐานนี่มันพบเห็นมันไม่ใช่ชี้เห็นการพบเห็นมันเป็นของจริงถ้าหลงก็หลงจริงอันควบหลงมันก็ไม่จริงพบมันไม่จริงเราก็เห็น ความหลงบานไปยิ่งใหญ่แต่ก่อนความหลงเป็นใหญ่ความทุกข์เป็นใหญ่ความสุขเป็นใหญ่พอเรามารู้แล้วไม่เป็นใหญ่เลยชิบช้อยที่สุดเลยเพราะตัวรู้เป็นใหญ่กว่าไม่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนแต่ก่อนไม่มีใครเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเปลี่ยนกันสัมสอนกลมร้ยายกลมดีคือกรรมาฐานที่เราได้เรียนมาสามิบเก้าวัน ว่ใช่ฉัก้าววันเท่านี้ระเถราแล้วเิละหลายรูปประสบการณ์นั่นนี่มาโหสมควรจะรู้สึกช้ำไม่ชำนานเป็นปริยารอบรูปมากกก่าเก่าปริญาคือโลกรอบรูปชำนานในเดือนในด้านของภาวะที่สูกที่ทุกข์ที่รู้ที่หลงชำนานมากเน่ตดดียว แค่เดียวเอารปมาจะไม่มีอะไรเละหมดงานหมดการการบ้านไม่มีนี่คือกรรมฐ า, านสห ร, รับง <c oughs> <c oughs> างที่ของรัฐเปนหมอก็ดีพายาบาลก็ดีบุคลากรของรัฐบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เป็นปัญญาชนทั้งหลายได้มา ดูมาเห็นด้วยกันเห็นกับตาท่านเห็นกับมือท่านทำกับมือท่านทำกับกายของท่านทำรับใจของท่านไม่ต้องไปเชื่อใครมาพิสูจน์เรื่องนี้ดูขณาที่เราเป็นคนไทยมีคำสอนมีศาสนามากศาสนาวันคืออะไร กรรมฐานมนคืออะไรวิปัสนากรมฐนคืออะไรบาปมัคืออะไรบุญมัคืออะไรไม่มีวิธีอื่นที่ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ได้นอกจากกรรมฐานเท่านั้นมีเงินมีทองไปซื้ออบุญมีเงินเอาทองไปจ้างให้บาปนี้ก็ไม่ได้เราต้องกระทำเราเองเรียกว่ากรรมฐานอาจารย์ท่านพูดเป็นมายาชนนั่งหลายให้มาดู มาพิสูดูด้วยต้งเร่งพิจูยังไงก็เคยไปสอนที่สหรัฐพลังบอกว่าอย่าสอนเรานะจะทำยังไงทำให้เราดูเขาว่าอย่างนี้ จะสังว่าเขามีความรู้มาก <c oughs> อันที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านทั้งหลายไม่รู้รู้หมดทุกคนรู้ผิดรู้ถูกรู้ทุกรู้สุขสุข ก, ก็ไม่ดีสุข ก, ก็ดีทุกไม่ดีโกรธไม่ดีหลงไม่ดีรู้หมด แต่ความรู้ที่เป็นเป็นเหตุเป็นผลมันยังใช่ไม่ได้ให้ไปเห็นเข้าจริงๆเรียกว่าวิชากรรมฐานเ พ, พราะพลังเขาที้ให้เราให้สอนแบบหลงปูเทียนนะจ้างเงินไม่ต้องสอนหรอกทำให้เราดูเราก็พอยกมือชัางเหระความรู้สึกตัวไม่ใช่ประจำออกมา เอากายไปต่อรองรู้ภาษาฝังเลยว่าเอาแววอาแววเพื่อนมือ14จังหวะหนึงเนี่ยเอาแวว <c ười> อาแวอ า, วอ า, วอาวคือรู้รู้นั่นแหละตัวรู้ตัวนี้ไม่ใช่คำพูดมันเป็นการสัมผัสเอาปิกมือ14จังหวะ14รู้ทันใจที่สุดเลย วินาทีหนึ่งรู้ที่หนึ่งพอดีพอดีก็พาเขาจำดูพาให้เขาจำดูเขาก็สัมผัสไปได้ถามเขาว่าคุณก็ยรู้อย่างนี้ไหมไม่เคยโหนไม่เคยชั่วโมงหนึ่งไม่รู้ล่ะไม่ไม่รู้สอนสิบนาทีรู้ไหมไม่รู้ สิบนาทีรู้ไหมไม่รู้ห้านาทีรู้ไหมไม่รู้ <c oughs> เออคุณไปรูป้เลยเลยคุณไปโลกประจันกำมาแลา้วคุณไม่รู้ตัวเองเหรอก็บอกเขาไม่รู้ตองตั้งที่เขาไปประเทศอาลีย์เขาเรียกว่าอาลีย์ประชาธิปไตยอาลีย์ประชาธิปไตยประเทศที่ไม่ตา เขาไม่รู้เรื่องความรู้สึกตัวนะพอให้เขาทำดูเขาก็ทำไปคือไม่สอนเขาพาเขาทำดูเขาก็ทำไปทำไปเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่ไม่มีคำถามไม่จะคำตอบเขาก็ตอบเองเวลารู้เวลาหลงมันคู่กันพอดี เวลามีตัวรูปมันจะเห็นตัวหลงถ้าไม่มีตัวรูปภาวะที่รูปมันก็ไม่เห็นมีไม่เห็นตัวหลงถ้ามีภาวะตัวรูปเป็นที่ตั้งเป็นฐานเป็นที่ตั้งไว้มันก็เห็นตัวหลงตัวหลงก็มีตัวรูปก็มีสัมผัสตัวหลงตัวรูปลองดูสัมผัสไปสัมผัสไป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 ข้างหน้าอาดีตที่ผ่านมาแล้วมันไหลไปอดีตที่ผ่านมาแล้วสิบวันห้าวันบางทีก็เดือนหนึ่งปีหนึ่งก็มีมันไหลขึ้นไปอนาคตเยังไม่มาถึงมันก็ไหลไปครับตาปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้วินาทีนี้วินาทีหนึ่งมันไม่มีสักทีเลยจึงมีวิชากรกามฐานแบบนี้ เป็นคู่ชีวิตที่เป็นฐานเมื่อให้เป็นวินาทีให้มันทีๆ้องดูเขาก็จะรู้ล่ะสัมผัส ด, ดูแลโอ้เขาก็เห็นภาวะนี่เพอเขาเห็นเขาก็โต ว, วันโกยเขินึ้นมาพอเห็นตัวลูตัวหลงมันก็ไม่เห็นตัวนี้มันเห็นไปแต่พื่อเพืมันจับหลักได้งั้นเราเมตตา เห็นอะไรบ่อยๆมันก็คุ้นตาอย่างหลวงพอเห็นพวกเราอยู่ร่วมกันหลายปีมาแล้วมันก็คุ้นไม่มีผิดถ้าเห็นใหม่ก็ไม่คุ้นละหลงหลงลืมๆืมกันการเห็นตัวรูดตัวหลงเห็นกายเห็นใจแล้วที่มันมีอาการต่างๆเกิดรู้หมดเลยรู้หมดรู้ครบรู้ทุกนรู้แช่งด้วยไม่ต้องสงสัย ถ้านี้ตัวตัวลูกเข้าไปดูเมื่อเราไม่ตาเราต้องสอนให้คนดูสมุนไพรว่าเดินดูตน้นไม้ที่เป็นสมุนไพรในป่าดูที่แรกเขาบอกว่าต้นไม้ต้นไหนก็เหมือนกันน่ะมันต่างกันที่ตรงไหนลูกใหม่ให ม, มนเป็นงนันไะไปดู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 ไปดูพยานรากดำไปดูตน้นอื่นก็เหมือนเหมือนกันเขาว่าพยานรากดำไปดูราลวนไปดูอะไรต่างๆมันคกล้ๆกันเขอันเดียวกันเพื่อดูใหม่ๆพอไปดูไปดูไปเขาก็เลือกดูืโอ้ไม่ใช่อันเดียวกันคนละกันการมาเห็นตัวเราเห็นตัวรูตัวลงนะ เห็ตัวสุกตัวทุกเ네นี่ยมันคนละอันกันคนละทิศทละทางเมือหน้ามือกับหลังมือแต่เกิดที่เดียวกัน่ะความทุกเกิดขนึ้นที่ใจความสุกเกิดขนึ้นที่ใจความหลงเกิดขนึ้นที่ใจเมื่อก็อนเดียวแต่ว่ามันก็เปลี่ยนได้ควา ม, ลมนหนามามมลงมันกับหน้ามือความไม่หลงมันกับหลังมือเรียกว่าปฏิบัติลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนดูสิความหลงนะ่ะ ให้มันทันทีทันใดลองดูมันจะเป็นยังไงผิดหรือถูกเนี่ยเรามาทุกลองเปลี่ยนความทุกให้เป็นตัวลู้ลองดูผิดหรือถูกเคยทำไหมเราจะมีหลักอย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่สุม 4, ส่มสี่สมหะไม่ใช่สุมหาเรามีพระศาตรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้พะสูตร เป็นพระสูตที่ตัดว่าอย่างนี้เรามาต้องอยุ่งยากเลยเรามาทำตามไปเลยจะว่าโง่อยังไงจะว่าฉลาดยังไงตรงนี้แหละจะจะบ่งบอกเราเป็นบุญยังไงเป็นบาปยังไงมันจะบอกเราแล้มีอะไรบ้างที่จะมาชัดเจนอย่างนี้ในเริ่นการศึกษาแล้วก็ไม่ต้องรอเลยทันที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 สามสิบวันจะได้เงินมาบางทีต้อง <c oughs> ไม่พอใช่เช่นชาวบ้านนะยากจนประมาณวันนี้ใช่นี่วันก่อนไม่พอเพราะมันไม่มีความรู้สึกตัวของเราวัางกันเ่ะมันไม่มีให้ใช่เลยเพราะเราไม่ได้ประกอบขึ้นมาทั้งๆทงี่มันมีอยู่ เพราะเราไม่มีใช่แล้วเหมือ น, เ ร, เ, นเราไม่มีเงินแหละเพราะเราไม่มีเราไม่มีคนอื่นเขาก็มีเราไม่มีงั้นเขาแต่เงินก็เราก็หาได้เป็นเออเป็นชไปนอกจึงไม่มีวิธีใดที่จะให้ท่านอกทันใจเป็นเจ้าสารพัดึกเหมือนกรรมฐานเลยทีเดียวในโลกนี้ พระธรรมพระผู้มีพระเจ้าตัดไว้ดีจริงๆเป็นอากาลิีกรรัดทำไม่มีการไม่มเมตตาอย่าอ่อนความหนุ่มความสาวมาอ้างอย่าเอาน้าบวดขรุขรมาอ้างอย่าละทินิการมาอ้างอย่าวันเวลามาอ้างภาวะที่รู้ที่หลงนาะไม่อยู่กับเราอย่างนี้ยึงขอ้อท้าทาย ตามพระพุทเจ้าด้วยอันหนึ่งเป็นทุรีด้วยเนาะไม่อยู่ในหัวใจเราพระองค์ว่าตัดว่าผู้ใดมีสติต่อเรื่องหนึ่งวันถึงเจ็ดวันลองดูพระควรเจ้าเลยหนึ่งวันถึงสี่สิบวันเน่ยพิสูดูแล้วถ้าเรากก็หลอกตัวเองถ้าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อตัวเองถ้ามีศรัทธาก็ศรัทธาตัวเอง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 บุกไปเลยอย่างเนี้ยยิ่งเลยว่าสารพัดเจ้าสารพัดเจ้าสารพัดนี้ถือว่าทุกอย่างก็ว่าได้อันภาวะที่รู้เนี้ยเป็นคำสอนที่รวมลงเหมือนรอยเท่าของช้างใหญ่กว่ารอยเท่าของสัตว์อื่นรอยเท่าสะเ์อื่นมารวมลงที่รอยเท่าของช้างได้ ภพราว่าที่ลูกเหมือนลอยเท่าของช้างอันเด่นมาลงตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่ขนาดนี่นะยิงไม่ยิงมาพิสูจน์ช่วกันดูคนหมอทั้งหลายผ่านเจ็ดวันน่แเราอุ่นใจอย่างน้อยก็ต้องมาประสบการณ์กับตัวลู้ตัวหลงให้เบบทเรียนจากตัวเองมากจะได้ไปใช้ชีวิตของเรา ยังสกัางงามพอตัวอ่านออกเขียนได้เหมือนท่านเป็นหมอไปนคนป่วยมาท่านก็ตอบเองนั่งอยู่นี่ไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นหมอเป็นพยาบ้านถึงข่าวที่ท่านพบเห็นคนป่วยมาท่านก็ดูออก<ะ>เพราะอะไรเพราะท่านมีความรู้สามารถทําได้เป็นงานที่แน่นอนที่สุด งานหมอ ง, งานพยาบาลหลวงตาเนี่ยมองพยาบาลเหมือนเท พ, พธิดาของเรามองคนหมอเหมือนเทพประุต์ของเราเพราะเราเคยรอดตายจากหมอพยาบาลเราเนี่มาเห็นฝีมือแล้วท่านมีความรู้จริงๆแต่ความรู้จึกตัวเนี้มันยอดเยี่ยมกว่านั้นอีกอันนั้นท่านมีความรู้ช่วยตัวเองคนอื่นได้อาจจะช่วยดตงมาได้ ถ้าอันตัวลู้ตัวเนี้ยมันช่วยคนอื่นก็อาจจะได้ด้วยแนะนำช่วยตัวเองได้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยการที่ช่วยคนอื่นก็มีวิธีเยอะแยะเวลานี้กำลังสร้างกลุ่มห้านาทีทองก่อนใจขาดขึ้นมาเพื่อไปช่วยคนใกล้ใกล้จะตายเคยไปช่วยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา วัดตั้นมาหลายวัดตั้นน่ะคนป่วยไปยืนสวดพระสตรต่างๆให้คนป่วยฟังเลือกร้องความรู้สึกเขาขึ้นมาคนป่วยคนใกจะตายเนี่ยมันมืดแปร ด, ด้านเลยเราจึงไปสวดพระสตรบางหมดให้เขาได้ยินเลือกเขากับขึ้นมาก็มีผลตอบสนองเกือบทุกหลาย พรานั้นอันนั้นมัสายกันไปแล้วจนใกล้จะตายนี่เรามาตื่นแต่ดึกศึกเต่นหนุ่มย้อมจงบเราฝึกย้อมศึกเราลบได้เพราะเรามียความรู้เหมือนท่านเป็นหมอสามารถยืนหยัดอยู่กับปลายเคี้ยวของท่านได้ได้จริงจอ๋อดูโรคลงตา ก้อนเนื้อในตาบอนก็จากก้อนเนื้อตัวเลยลำคอไปสู่ตะบอนรักษาได้ให้เีโมตัวใหม่เข้าไปเลยข้าพเจ้าไปเฉลยวิทยาการรักษาอื่นใดทั้งสิ้นให้ยีโมลอำคอโดยด่วนเพื่อให้ก้อนเนื้อลำคอให้ท่านหายใจได้เก็เหรอมีความรู้จริงๆให้ยีโมลงไป เป็นคำพูดที่เด็ดขาดนี่มันตัวหลงจริงๆตัวหลงไม่เป็นธรรมจริงๆตัวรูปเป็นธรรมกลัวจริงๆใครบอกเราเราตอบเองขี้ขาดไปเลยนนี่เลยว่าปาชาเิปไตยทรืว่ า, ามาตรฐานมาตรฐานของชีวิตมาตรฐานของกิาการต่างๆจบเลย จากศาสตร์ต่างๆมาเพราะน้นเนี่ยกรรมฐานเนี่ยมันก็ครบวงจรนะมากกว่าอันอื่นนะถ้าเรามาศึกษาเรื่องนี้กันเอาละเป็นวิชาเอกของเราเอกขรื่องนี้กันเอกอามาโควิสุทธิยาเป็นหมายเลขหนึ่งทางฟรีเบของพวกเราไม่มีจนเลยในโลกนี่ถ้าเป็นทางก็ฟรีเบ <laughs> ประเทศไทยเราไม่มีฟรีเวนะมีแต่ i g h w a y ประเทศที่พัฒนาแล้วมีฟรีเวมีไม่มีไฟแดงไฟเขียวเว่งได้ทั่วประเทศเลยถ้าฟรีเนะี่มีแต่รถนั่งวิ่งรถไฟารรถบรรทุกไม่ต้องมาวิ่งกับรถนั่งก็อปลอดภัยเกือบร้อยเปเจ็นไม่มีรถ ชนข้างหน้าแต่ถลถก็ชนด้านหลังกันเรียกว่าฟรีเวชีวิตรเราควรจะมีฟรีเวผ่านได้ทุกสถานการณ์อันเรื่องเกิดขึ้นกับวัยกับใจเนะ่เราจะจนหรือเรื่องมันเกิดขึ้นกับเราแท้เนี่ยเถอะมาเจรสาะเรื่องนี้กันนะให้สุดความสามารถเจวันถี่ทำหนูดูเราจะอยู่ร่วมงันสู่ทุกลมกันแน่ พออยู่กันได้นะมีตั้งพระสงฆ์องค์เจ้าอบาศกบาลิกาพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยนะเค่น้อยไปทอยถอยอะไระร่วมกันจริงๆอุ่นใจวุนใจรองตานะเนั้นเงยินดีต้อนรับทุกทุกท่านที่เข้าสู่สุขตัเป็นเป็นธรรมเนัยของเราอยู่แล้ว อัานมาที่ไม่ต้องแกง่งอกเกงใจอะไรคิดยากลำมากอะไรเหมือนกันพวกเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องคิดเรื่องกินเรื่องอะไรต่างๆขอเหนือได้คิดให้เราแล้วแต่เราต้องช่วยตัวเองในทุเละของส่วนตัวจึงพออยู่กันได้ผู้ทียังไม่มาขอให้มาสัวนวาดของเรานี่ทั้งไม่ได้มีอย่างนั้น ไม่ต้องมาแจ้งให้ใครทราบที่นี่ถ้าต้องการมาก็มาเวลาก็ได้บางทีก็มากว่างน้อยบ้างอาจจะไม่สะดวกความไม่สะดวกความบากอาจจะทำให้เราเข้มแข็งความสะดวกสบายอาจจะทำให้เราอ่อนแอได้ผวามยากความจนทาเราเข้มแข็งได้เหมือนกันอย่าไปอย่าไปท้อถอยฮะ แม้จะเราเจ็บไข้ใจป่วยมะเร็งันดับที่4แล้วหลวงพ่อไม่ทางได้ีมีเป็นไรหรือที่ต้องหายเอาหายก็ไม่เป็นไรตายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอ่อนเอยเราไม่ต้องตายเพราะโรคมะเร็งเราไม่ต้องดีใจมีสุขเพราะโรคมะเร็งหายเราอยู่ของเราเองจะว่ายงไงอ่ะ ตายก็ไม่เป็นไรเนี่ยตายก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันทำได้ไหมชีวิตเราคนหนึ่งมันต้องทำได้พระเจ้าเนยเหลืองกันเกิดเจ็บตายคือเรื่องนี้นวิธีที่ทำเมันเรื่องนี้ได้คือจเจริญสตินี่แหละเนี่ยแลพิสูจน์ลองดูถ้าททยมาสอง0ันกว่าปีมาแล้วเราก็ดีใจวุ่นใจวุ่นใจฮะ เราก็เต็มสาหลาเลยนอะอ่าวันนี้ก็ตอนรับพวกเราให้สบายใจด้เลยชุกขด้วยกันทุก ด, ด้วยกันอ่าไม่เป็นไรเจดวันท่านแดงอ่าอย่าไปคิดหน้าคิดหลังอะไรจะทำไรได้หไหนอหกลัวจะไม่ได้เลยไม่ใช่งั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 ต่อไปนี้จะหม้อไหวกรรมฐานแม่ไก่อาจารย์ทรงเสด็จอาจารทชชัยรายรูย้ที่อยู่ด้วยกันนี่นมีแม่ไก่ด้วยนะวักไข่กรรมฐานเนี่ยต้องทําเป็นแม่ไก่ด้วยกรรมฐานต้องทําเป็นตีเหล็กด้วยถ้าเขาให้ร้อนยังนวดได้พอสมควรต้า